เงียบ <N> นี่ยมันมีการมาขวดมัจนจะคำห้ามมันล็อกเ็ล็กเลกลุกลุกขอ ง, ม, งมันตามาคีรีาษาเหมืนฐานของเล่นขากลัวมันก็บ่นไปไหนได้วันลุกลกลิพอ น, นั่นงับลงไปตาไปจเนียบอ น, นั้นก็หมดกัหามไปันน ม, มือคิดออกจากล่างแล้วเป็นปคิดที่บริสุทธิ์แล้ว ผ่านออกแล้วมันก็เหมือนอาหาเจิ๋นขายในขณะที่มันยังติด่ังคองยูงตั ง, งอยู่พอยุออกแล้วมันก็มันอาหารจิ๋นเหล็กจิ๋นหลมันยุดกระดูกดิกหมดแล้วมันก็หมดฐาน ม, มาันละอันนี้ทำอะไรสั่งมีอะไรจะหามเมืองรุ่นม้าก็จะหามแร้งก็จะหามกาก็จะหามอะไรอะไรก็จะมาหามหมดเนี่ยเขาไม่ได้ว่านะว่าซากมนุษย์นะเข า, าอาหารของเขาตรงนั้นเนี่ยล่อมา ยินตัวยองว่านะมันมนุษย์ตายก็แบบมนุษย์ตายแบบมีเกลียดตแม้ตาแล้วกว่ามีเกียรมัเ น, ะกนม เ, กมเกียดอะไรเกียรต์ว่าเนี่ยพวกแรงกวกกาพวกหมาพวกนี้นะตัดเจาะอะไรกันแล้วแต่ถึงมันมาทึ้งกันมดนมันยังมีเลือมันเจอว่าสักคนมันไดมันจะมาให้เกลียรติเลย สิ่ที่มันจะให้เกียรคือมันให้เกียรท้องมันเองเท่านั้นแหะมันให้เกียรมันเราจะมันหลงมางมายดูไมมีเงนไหนทีุ่ดไว้วาลใจได้เลยท่านี้ก็เป็นสันท่านี้ก็คมแค่อย่างเหมือนมีดอาทั้งนี้เป็นคุณเอาทังนี้ด้านนี้เป็นโทษเสี้ยมอยู่เหมือนกันมันถยูในมีเล่มเดียวนี่แหละันคม พิษกับภัยคุณก็อยู่ในพิปเ็เดียวิษไม่ถูกก็ไม่ยั่งตืคงคันกับของอะความคิดฆ่ากั บ, บของคิดถูกแล้วมันลำบากกางวันไหนเดือนใน ป, ปีไไม่มีวันหาการเราจะไปอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนไปไหนไม่ว่นหนามันตักหมดเลย ลงปัจจุบันมันไม่มีปัญหาแล้วอะไรจะมีอดีตก็หมดไปแล้วอนาคตก็หมดไปแล้วเมื่อปัจจุบันได้ตัดขาดไปแล้วไม่มีอะไรปัจจุบันกรู้ท้อเยอะมายอะนี่มีปัญหามาจากไหนท่านดหมดปัญหาท่านเป็นพวกเรานี่พกเจ้าปัญหาแบบธรรมายอะ ออกบุญทาง้เการ์ตูนก็เนันนมขันกะจายว่ใหม่ท่าเอียนยูผมตักไว้นะั้งแต่เขาทลูกก็เหมือนเลยนะเหมือนไกลเหมือนินะยืนขาไฟแหงยงเียืนขาไว้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่มากับผู้หมาเมย์เขาทำตลกนั่ิไทยลมันเปลี่ยนกามันเปลี่ยนตัวตลกที่แล้วมันตลก ท่องเละเละต น, นี้คุณช่านเขาเอามาท่องตลกอย่างที่คงเคยพูดนั่นที่ว่านายพูนน่ะเขาทำตลกไว้และนี้เขาเปลี่ยนเอาอันนี้มาเป็นการ์ตูนจริงมีรูปคนแต่ก่อนไม่มีที่ว่านายพูนน่ะ เ, เขาเขียนเรื่อยเขียนตัวใหญ่แล้วบอกได้ไม่เชื่อ <laughs> มันทําอะไรงนั้น บอกแ้ไปเชื่อี่ถึงบอกม่เชื่อให้เราไปตั้งสนใจว่าหลมีนสัตลกด้วยเวลาตลกหลกนั่นเราพูดหรือคนหัวแล้วันจะตายเล้วรูเล่นไปเล่นแบบพระเล่นตลกมีเคลดับอยู่นนัมีเงื่อนมีกนติที่สอนคนน่บอกแล้วไม่เชื่อเย็นมนหนึ่งในพูนพ่ามครอบครัว มีทั้งลูกสาวลูกเขยได้มีแฉกมาร่วมรับทานกันอย่างเพืิดเพลินอยู่หลายหลายคนด้วยกันในทันใด น, นั้นมันายครูนี้ได้ลุกขึ้นขวดพระทีาาเดียวลูกเขยรู้เท่าทันขึโดยขึ้นจับมือพ่อไว้อย่างแน่นหน ทางพ่อตาทางนาพลก็บอกปล่อยว่าไอเน้นอรโอยปล่อยไม่ได้แล้วถ้าปล่อยแล้วอ้อพอ่อเรานี่ถ้าเราได้เพื่พาดขึ้นอย่างนี้แล้วพอเห็นพอ่อรู้เพ่อพาดเยนะตานายพูก็พูดไปาพอ่อเรานี่ถ้ า, าได้เพืพ่พาดขึ้นอย่างนี้แล้วไม่ฆ่าคนคนใดก็ต้องคนหนึ่งแน่พอแบบดดลูกขึ้นจับมือย่างพออ่อาอปล่อยว่าไอเน้น โ, โหยปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยแล้วพาะพอ่พอฆ่าคนแล้วเกิดเหตุอย่างนั้นนะปล่อยว่าเกิดยังจับสักสกประเดี๋ยวมันจะท้องร้องโคกเต้คโคกเต้ขี่ในปูปนแตะเต็มเรือนอย่างพอเสร็จพระสะดวกบอกแล้วไม่เชื่อที่บอยอีกจุดตั้งสะดุกอยู่บอกแล้วไม่เชื่อ มันก็มีแต่นั้นลงหมดแล้วอยงเขาตลกเําทำตลกไว้ในวันนี้เราเปิดกวันนี้เขาทาดูไปสามสี่ช่องแรกเขาแล้ดอ้วๆนๆใหเ่ๆนะทาการ์ตูนอ้ยมันทาตลกนี่เรียกว่าการ์ตูนขีเส้นฉันไม่ได้บอกพีเนอันมั น, มนทาทามือชีเนี่อ้วนๆ แกหอกเสือจะไปที่ไหนแกหอกเสือจะไปแกหอกเสือจะไปที่ไหนคือหอกเสือแล้วรูปหลังจะมีเสือจริงเสือหอกหนิดนี่แกหอกเสือจะไปที่ไหนข้าจะไปนอนรอโอกาสเป็นนายกแล้วลูกนี้เป็นรูป คือกล็กนทำรูปคลิกจริงๆชัดเจนมองเห็นเป็นคลิกแล้วลูปที่รูปที่สามาลามว่ารูปที่สามนั่นเอาจะไปยืนเที่ยงกับจักยานถือจักยานนี้รูปใหญ่ๆเหมือนกับรูปคนแรกนะที่ว่า เพราเกือจะไปที่ไหนอบอกว่าพอจะเป็นนอนคอโอกาสเป็นนายกก่ไปคนนี้เดินอยู่ข้างข้างคือมีจักรยานาบริษัท 500ห้าร้อยโหราจา ร, เาจาร์เขาห้าร้อยโหราจาร์เขาเนี่เขาลงกันให้ฐานเป็นนายกหลางหลัง อ, อันอ่ดียวเพราะว่า อ, อันเดีว ประโยกดท้ายต้ในดวงเมืองเขาบอกว่าต้องทหารเท่านั้นต้องทหารเป็นเท่านั้นต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นจริงเหมาะแก้เป็นอะไรแก้เป็นอะไรข <c oughs> าขาคนนั้นที่นี่ทำทลาดวัตถยาอยูน่นะตางคนดแก้เป็นอะไรกันบูย่าแกไม่เป็นหนาที่นั้น อะไรทำมันยากตรงสติคลึกคิดครับผม <laughs> <laughs> ยิ่งบอกชัดสติคลึกคิดปรามโมดครับผมว <laughs> <laughs> ่าใส่แว่นตาเหมืนว่าแล้วเหมือนจริง <laughs> ันนี้ทำบขันพวกตาแต่ไเนี่ผมผมหนีไ้นั่นแล้วบ่าพวกนี้เราผมไม <laughs> ม่ดูมจ้ใหม่มาดู กบกัน้นเรื่องโลกเขาอย่างอันนี้เป็นนิสัยนั่นแหละพวกที่เขียนตระกูลต้องเป็นนิสัยตลกวันหนึ่งเป็นแบบหนึ่งนันนเป็นหนึ่งบบไม่ซ้ำกันนิสัยเขาต้องคนที่ทํางานในทางไหนทําในทางหนึ่งก็ต้องให้ในหน้าที่นั้นเป็นการตอบปัญหาก้อนคนหนึ่งกา่างการัรบ้านการเมืองก็คนหนึ่ง ทำนานคนละทางนะจ๊ะแล้ก็คตรตลบขบคันนี่ใป่ปัญหาคนนีน้ดูอยงเป็นคนหนึ่งมีเรื่อยๆเห็นดูรูปมึงก็อดหัวเลาะมาได้แล้วรูปมึงก็ดีอ้วนเหรอจะรูป ก, กัดเลยขบคันในบริษับ ถ้าว่ายโหราการเขาเห็นชอบว่าให้ทหารเป็นนายกแล้วหวานหวานั่นนล้วพอดวงเมืองก็บอกว่าต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นคนุณจิงจะบอกว่าจะเป็นอะไรล่ะว่าเป็นติด ข่าววดข้าผมว่ะขำทาไมมันทำรูปมันทำเหมือนจริงนะทารูปใครเป็เหมือนกันมั้งคือเขาเน็ดทั้งสองเลยนะเขาเน็ดทั้งสองตั้งฝ่ายทหารนอนผูกขาดอะไรๆเป็นเจ้าอำนาจเป็นนายกเป็นความหมายอันนี้ก่อนเขาเบื่อทั้งหมดนจะความหมายแล้วเบื่อทั้งประเทศมจะมาเมือนบ้าเป <c oughs> ็นนายกอะไรอีกความหม ในหลายด้านเดีย๋ยวอเป็นโอกาสป็นนายกเป็นไปนอนนอโอกาสถึงนายกลรวออกเสือด้วยเือไปนอ น, นออกเสือกหมุนบ้านทำลงโลกของของปึนให้เป็ น, เ ป, นเป็นใหเป็นโต มันไม่อยู่ทับหัวใจลัมรเร่งตัวเลโอ้เท่ามันจะตายอะไรพระพุทธตามส่วนคนเหล่านี้นั้นเงินจะกินเราเท่าถึงเงนตายมันก็ไม่หมดรีบจนรวยกว่าจ้าอะไรคือจิตมันไม่อยู่อยู่กับนั้นมันอยู่กับความกับอารมณ์ความห่่งหวังอะไดหนึ่งของมันมัมนมุ่งอันะไรได้มันมุ่งมุ่ง งันนัดที่ปันหาสมาทีความอยากจะมือด้วยปัญหาความบกเบ อ, องความยืดหมด อ, อยู่ตลอดเวลาจะยิ่งกว่ า, ปปาปวกปัญหาความยุ่กความอยางมันไม่มีเพิ่มมันก็หลยก็ยิ่งหมืสาุยก็ไป ยิงลุกส่งเปลวขึ้นจุดวาน่ไม่เห็นเคยมีความสุขเพราะความโลภความโกรธความหลงดิ้นเดิ ไ, ไ, ดไปนี่แล้วา ย, ยิ่งผู้ไม่เคยอาจเคยทำ้วยแล้วนั่นทำไม่สำคัญเลยแล้วยิ่งเห็นตัวเป็นของสำคัญมากก็เกิไไดอะไคือความสำคัญเลยเฉยยิ่งเห็ตัวเป็นของสาคัญจทั้งจะหาความสำคัญ คามนธรรมนั้นถึจะล้างติวนี้ได้พอรู้รู้สึกเมื่อรู้สึกตัวถ้าเรามีธรรมเลยนีตายก็ตายจรเปล่าไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรเร็นาระเลยตายก็ยก่ออยู่พอดีไปพอดีตายก็ม่มีความหมายความสคัญก็มีแต่ว่าตายต้งสูญหนึ่งส่วนมากคนไม่สนใจศาสนาไม่มีหวังอะไร ส่วนมากใจก็ลอยลอยต่างๆต่างกอบปัวจากความเบืช่ชาแล้เนี่ยตัวเองทัมตัวเองตัวเองฉลาดนี่ดูธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของผู้ศึกษเลยอเป็นธรรมของผู้ศึิรู้เห็นแล้วนามาสั่งสอนโลกแต่ความระหยัดเร่องปลงเลืองความไม่ยิ่งเห็นเรื่องความมึดบอดของตัวเองเข้าใจว่าตัวฉลาด มันขัดแย้งกับของดีความดีตลอเวลาแล้วมันจะหาของดีมาจากไหนคนเราเมื่อขัดแย้งต่อความดีกับสิ่งที่ถูกต้องมีนามแล้วจะหาความถูกมาจากไห น, นคนที่ขัดต่อแย้งต่อความดีเสมนจะหาความดีมาจากไห น, นเพราะความดีก็เป็นทางความทําพลีเจ้ามีบนได้บัดนัยที่จะค้านได้ไม่ผมไม่เห็นหรอกอ่านไปทั้งนันย่งซึง เป็ดูสีสุดมนดูไ ป, ไปนี้มันเข้าใจถึงไม้ารใจทุกตัวมันก็เข้าใจพอเข้าใจดูไภาษาบาลีไปมันก็พอเข้าใจตรงีดีกันนะที่สอบกาเรียนทางบาลีนี่นก็ดีนะมันไม่เปน็นโมฆะ่ยะอ่ไปดูนั้นเปเข้าใจๆๆ แลมันซึ้นะซึ้งนะยินดี้หมยโอ่านกับนหมงอออน่เียนนาผมไม่เปวิรูปข มในยูพกเขียนนี่ใส่ตะลักทูทำให้ตะลักขาดทำให้ยุงต้อาเกาะม้านาขามาน่ะถ้ามานาขาตกเปลี่ยนมา เวลาที่คุณบอกเราเราจะพาไปเข้าไปใ่ามหาวันคนนี้มหาวันกหมายถึงป่าใหญ่มีพระวัรหันติดตามไปตั้งห้าใครมีภูมิใดให้ให้เห็นตามขั้นตามภูมิตัวเองตามความสามารถเพราะนี้มัเป็นของไม่แน่นอนความสามารถในญาณวิถีที่จะทราบพวก แถวนี้พวกพพวกที่นเพื่อใดอินทรษ์ทั้งหลายที่จะมาจากโลกอากาศโลกธาตุนี้มารวม้วนเข่าพระพุทธเจ้าทึงถามปัญหาแต่ละข้อละปธุ์ทางกิการะและมหามแล้วองค์นั่นเห็นอย่างนั้นันองค์นั่นถึอย่างนั น, นันง น, น, น, น, น, น, นันไ ม, ม่เหมือนกั น, นคือความกว้างแทบควา ม, วามลึกตื้นดาบละเอียดตางกันเลยแบบพยเจ้าุ องทรงสรุปอย่างรชติา เ, เห็นไมยเแล้วออกมาท่านน่าหนุมท่านน่าหนุนมหาจักรพรรดิงั้นท่านผู้มีการบาอย่างท่านในลบล้างคอมีอยู่ถ้าท่านเห็นก็เมืนกระโถนมีอยู่นี่ตังค์เกิดลบล้างวากระโถนไม่มีได้ไงถ้าคนตาบอดมันก็ไม่เห็น ไม่เห็นแล้วยังไม่แล้วลบล้างมันก็ผลไม่มีมันยิ่งอยากไปเป็นขั้นที่สองเขาไปเพิ่มเข้าไปผู้ตาดีเห็นผู้ตาบอดไม่เห็นไม่เห็นก็ยอมรับว่าไม่เห็นเพราะตาบอดเพราะหน้าสป็ารแต่ไม่เห็นเพราะความอวดดีนี่ฮะจิตใจของโลกมันนับวันที่มืดบอดไปโดยลําดับทำจะเป็นของจริงแค่แคไหนก็ตาม ก็เหมือนอย่างนิทานอิศกผมก็เรียนทั้งกี่ผมเป็นนักเรียนแต่มันก็ไม่ลืมแบนนะบเนาะเวลามันจะไม่ลืมครับนิทานอิศครูสอนใครแฝดตอนนี้เที่ยวคุยเกี่ยอาหารไปพบพรอยเปนหนึง่งามดีมีค่ามากอยู่ล้องไปเปิดขึ้นว่าต้องไปเปิดพูดปเปิดขึ้นว่าลาหลายพรอย น, นี่มัน นี่ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าพอจินนี้เขาคงเก็บเจ้าไดยสามไว้อย่างโอหวนตดำเดิมแต่นี้เจ้ามีประโยู่อะไรเกี่ยเราสู้เจอข้อขสุขข้อสารไม่เดียวก็ไม่ได้มาแล้วก็พูดเขียนเลยภายในใจนี้สรุปความว่มิทานนี้มิสารใ้รู้ว่าของที่ดีก็มีประโยชน์แต่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นนะธรรมะก็มีประโยชน์แต่พู ด, พดรู้จักใช้พูดเป็นผู้มีสาระควรดูภายในใจกัน หาได้แต่มาผู้หาตาละคุณไม่ได้นั่มันก็เทียบกันได้อันหนึ่งก็มีพูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองก็เป็นข้อเท็จจริงในอย่างนี้แต่ก่อนเราไมเข้าใจเด็กเรียนหนังสือไปเรียนไปงั้นน่ะครูว่างะไรว่าเดี๋ยวนี้มันย้อนหลังอยู่นาน์เป็นอันนี้ทานอันนี้เอามาเป็นคติได้หมดเนอมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมจาริยามื่ออะไรเมื่อเป็นเป็นชา ผู้หนึ่งขับเพี้ยนไปในป่าูล้ อ, อเพียนตกหล่นลึกควายลากไปไนไหวอยู่ร้องบนบานให้เทวดาที่เป็นเชื่ป่าลงมาช่วยในขณะนั้นเทวดาที่เป็นเชื่ป่าก็ลงมาหาวุ่คนนั้นแล้วบอกว่าเจ้าตรงเชื่องควายให้เดินลุกล้ อ, อ ก, ก็จะพ้นการหล่นลึกกรหน้านดงาการที่จะร้องไปว่าให้คลุมเข้ามาช่วยใครจะมีตใจช่วยเจาได้หรือโดยที่ตนยังไม่ ทำให้เป็นพื้เหมืองของตนนี่นี่ทานนี้สอนใหรู้ว่าการหวังขึ้นตนเองดีกว่าหวังขึ้นผู้การช่วยตนเองดีกว่าให้ผู้อื่นมาช่วยนั่นเข้าในอัจฉริยนุนาโถดังนี้หลักๆนิทานอิศกุที่จะได้ดูดีกว่าที่มันมีมาแล้วอะไรที่มันจําได้นะมันจําได้เองของมันตั้งแต่เป็นนักเรียนได้ตั้ง ใช่ตั้งห้าปุดปีแล้วมั้งพอผมสอบผมผมออกจากโรงเรียนอายุยังไม่ครบเขาบ อ, อกตั้งยี่สิบสี่สิบห้าปีที่ให้ออกแต่ผมยังไม่ได้ถึงขนาด น, นั้อนอายุยังไม่ถึงไหนสอบกกแต่ตอนนี้ต่ปสามคุสอบปสามจบแล้วครูก็ให้ออกเลยเพราะมีปสี่ให้จบปสามแล้วออกก็ได้ไม่ออกก็ไปต่อกำเรียนหลวงโรงเรียนนักยนเนี่ยเราเรียนจบแค่ปสาม นันทางโลกผมได้เรื่องอะไรตั้งแตนู้นมาจานปัจบันนี้มันก็ไม่ลืมนะถ้าสีแดงที่มันจำที่มันจะไม่ลืมมันเป็นมันอีย่างนี้อนยะ่าไม่เคยท่องเคยบนอะไรหรือ่านีมัมนนันเป็นคติธรรมา ช่วยตัวเองกับก่แก่ติดฟืยาสำคัญมากการทำของมือซ่าก็เหมือนเพชรเหมือนพลอเป็นวิสัยของไก่มันจะสามารถไปนำเพชรพลอมาเป็นประยชย์ได้วิสัยของมนุษพ์ุ่นหนาันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่สามารถที่จะนำทรมือเยา มันเกลเหมือนเนหมือนพล อ, อยเป็นกระูกแกตัวได้หหมกข้าในากนลกอยู่อย่าง น, นันเป็นที่พอใจของเขาขสงหาอาารแกทุกข์ม่มีใครสง น, นใจเพราะว่าความแก้ทุกข์ก็คือความทะเยอทะยาน ความนั้นใหญ่ไป่สูงต่างหากอความิ่งล้นควารู้จักเป็นจักตายต่างหากยี่ก <c oughs> เพื่อแทุกจะหาลูล้ไม้ว่าสิ่งอนนี้เป็นจุดิี่พระโทุกขมาทับถมจมสิ้นเลยที่ผาขั้นทิ่ผาใบป่วมไปก็ ไ, ได้ถ <c oughs> ้าผู้ปฏิบัติธรรมมานึงนัถึงอันนี้มาพิจารณาให้ดี น้อมประพุทธเจ้าจระสงค์สาวกเข้ามาอยู่ที่ใจเสมอเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเรายิง่งเวลาเกิดความาออท้อตอยอ่อนมาให้ยาคิดอ่อนแอไปตามนั้นนั่นคือเป็นการได้คืนของทิเหลแล้วมันจะยิ่งจะเหยียบย่ำลงไปให้แหละต้องพลิกตัวทันทีแก้ไขเหตุการณ์ให้ทันท่วงทีคือชื่อว่าผู้ฉลาด สเดตามสเสเ็จพระพุทธเจ้าด้วยอุบายวิธีแก้ไขยอย่างตันท่วมทีสติปัญญามีอยู่ในจิตคิดขึ้นมาให้เป็นสติปัญญาก็ได้คิดขึ้นมาให้เป็นกี่เลนที่เป็นไฟทั้งกองเผาตัวทั้งวันก็ได้เกิดขึ้นจากจิตด้วยกันเนี่ยแต่ไฟที่เลนที่เกิดขึ้นจากจิตแล้วเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กกลับเหล็กสุดจนกร่อน็นเสียเหล็กใช้ไม่ได้เลย เป็นทางที่ยก็เป็นความสุขเสริมเหมือนกับรักษาเลยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น่งางที่ดังนั้นจสมอการไปกันมาที่ไหนอย่าให้เห็นอิน์ะพูดกันไม่มีสติเดินตามหลังกันมาลักษณะการพูดไม่มีสติเลย เป็นลักษณะเพลินเพลินไม่ใช่ลักษณะของผู้ปฏิบัติทําการทํางานด้วยกันก็อย่าประสนใจในสิ่งที่จะเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่นองใจพูะไร้ให้มีมีผลพูดตลกขนองความตลกขนองของคนมีกิเลสนี้มันเป็นกิเลสได้จริงๆโดยไม่รู้สึกตัวไม่เหมือนคนไม่มีกิเลสคนเราม่มีกิเลสทุกคนนี้ สิง่งนั้นไม่ใช่เป็นของอาจารย์พอที่จะนำมาพูดกันนั้นเป็นความสนุกสนานสนานเราไม่ต้องการความสนุกสนานแบบดังแบบนั้นเราต้องการความสนุกสนานลึกลึงในสีในสมาธิในปัญญาต่างๆต้องทําความรู้สึกตัวอยู่สมอนี่ทานด้วยเเห็นทุกทีไม่ลายอะไรก็ลายเป็นได้ ฟังแล้วไม่น่าฟังปียาที่คุณคงไม่น่าไม่น่าไม่ น, น่าดูนี่แสดงว่าอยู่กับว่าอาจารย์เป็นอย่างออกจากครูอาจารนั่นเป็นอย่างนึงมันก็หน้าว่าหลังหลอกดูสิเพราะความแน่ใจเตือไม่ได้จิตต้องเป็นอย่างนั้นแสดงปีย่างนั้นเป็นความไม่ใจเตืนไม่ได้ การรักษาตัวนี้เสมอจะอยู่ในที่แจ่มทีครับมูลากาครูบาอาจารย์่เพื่อนของกันประตามความรักษารักษาตรอดรวลามันดีตลเวลาแต่ทาประโยชน์อะไรก็ให้เป็นประโยชน์จริงๆจะให้มีโทษอยู่ในนั้นใน เ, เวลาเกี่ยวข้องกันถึงไปทําที่ภาคที่อาศัยผมวิโตวิจารณ์เรื่องการงานของที่มเพื่อนทาไม่อยากให้ทําแต่ต้องจาเป็นอย่างนี้อย่า ผมคิดจะหมดนะอย่างนี้แต่ทำงานนั้นจะต้องมีอะไรอย่า ง, างนี้นแล้วมันไม่ผิดอ่ะที่นี่เพียงเดินผ่านไปหาพระตามร้านวัดอะไรนี้เดินผ่านป่าผ่านไปผ่านมามันก็รู้ผ่านน้ำร้องมีอะไรมาทำก็ทำนนฉันละต่างองค์ต่างไปยกเอามั่วสมคุยกันดังนั้นดังนี้โดยถือรองน้ําร้อนนี้เป็นสถานที่คุยกันไม่ใช่ไม่ใช่ทาง มาคุ้นกันแบบโลกๆหรือมากเป็นอะไร ย, ยิ่งมันจะเหลวไหลไปนะผมก็ยังไม่เคยไปรับใครถึงกระนั้นนีปีนี้ก็จําเป็นต้องคืนไปต้องทั้งเตฝึกเครื่องอยู่ทั้งในหัวใจเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเป็นผู้แนะนําสั่งสอนแล้วอยากให้ดีก็เต็หมหัวใจไม่ได้อยากให้ดีธรรมดาถ้าอยากให้ ให้ดีอย่างถึงใจเราดีๆี่ตัวเหตุนี้การสองดูแลการให้ว่าคำสอนการดูแลแง่ต่างๆการสั้งเกียรตเง่ต่างๆของหมู่เพื่อนมันจึงเป็นไปเองเพราะความรักความท้งหมดหมู่เพื่อนที่ตั้งตจมาหาผมผมไม่มุ่งที่จะยกโทษยกกรเพื่อนฝูงอะไรเลยผมไม่มีอย่างนั้นผมไม่มีเพราะงั้นหมู่เพื่อนจะมาคุณบอผมแกงผม ในรับตลาซึ่งนั้นผมรับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของผมเพราะไม่ใช่ทาเหมือนอย่างที่นักมวยก็ต่อยกันซึ่งเคยพูดให้ีัยครูกับนักมวยฝึกซ้อมกันฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมไปครูเตือนด้วยจะเปิดตรงนั้นบอกไว้ครูยังไม่ต่อยลว เท่ากันตายเทกันตาฝึกซ้อมกันอย่าเปิดตรงนั้นสองครั้งพอครั้งที่สามปั้วเอย่าเปิดตรงนั้นนะพอเตะ ก, ก็เตะมาเลยตรงนั้นพอต่อยก็ต่อยพอสอบก็สอบตรงนั้นแต่ครูทําไม่ได้ทําเหมือนอย่างพูดจะสู้ทำทําบอกทาสอนเฉยๆให้รู้ว่าที่นั่นเป็นที่ตายอย่าเปิดถ้าบอกจะเปิดก็ให้จำไว้ความหมายอะไรนะ ครูสอนต่อยก็ดีเตะก็ดีจะสอบสอบด้วยเข้าด้วยอะไรก็ตามเป็นทำเป็นครูสอนทั้งนั้นไม่ใช่เป็นผู้ฆ่าให้ตายแต่พูดจะสู้ตายได้อันนี้เราที่พูดกระหมูเพื่อนสีดุขาที่มาแต่เราก็เหมือนกันเหมือนั้นเราแต่เห็นความงามของหมูเพื่อนพ ย, ยายมมั่นาจการจะแม่ง พูดไม่มีเหตุมีผลการระมัดระวังรักษาตัวดีเราต้องการอย่างนั้นผลในการสแสดงนั้นเพื่อนกลางเรือลำหนับเราต้องการความงามอย่างนั้นเป็นผลขึ้นมาภายนอกก็เย็นแบบนั้นภายในก็อยากจะเห็นหมู่เพื่อนมีความสงบร่มเย็นมีความสง่าผ่าเผยสว่างบรรยากาศแจ่มใสด้วยสมาธิด้วยปัญญาตามเป็นคันค้านเห็นประเด็นจนกระทั่งอยากเห็นหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องความมุ่ิดุพ้นในถึงฝั่ง จะได้อนาโมธนาเต็มหัวใจสมกับว่าสอนหมู่เพื่อนนี้ทอดหัวตับหัวปอดออกมาสอนจีิงๆไม่เคยปิด บ, บัง น, นี้ครับในแง่ใดเลยบรรดาธรรมฐานตลอดทุกสถานที่ที่เพื่อบำเพ็ญในสถานที่จะได้มาเราไม่ได้พูดมีเจตนาเพื่อจะอวดเพื่อนถืงแม้แต่นิดหนึ่งมาพูดเ่อเป็นคติเครื่องยึดเป็นหลักเป็นเจิงของใจเครื่องยึดเหนี่ยวําสอนจนได้ จิตใจอยากให้อ่อนแอลมให้ดีใช่มันนั่งมันยังม่วล้างหน้าหาวงบายที่การเปลี่ยนแปล ง, ปปลงหลายด้านหลายทางท่านพุทธการท่านเขียนไว้นั่นน่ะเขียนไวทไ้ทําไมท่านเหล่านั้นผ่านไปแล้วทั้งนั้นถ้าไม่เขียนไวน้สาหรับพวกเราผูกา้กาําลังเดินตามเบาร่องลอยท่านไดยยึดได้ถือมาเป็นคัดเครื่อง เงินทนี่ขั้นสอนแต่ตัวเองคนจะเขียนไม่ทํำไม่เห็นในพวกเราผู้ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วด้วยทางสายนี้แล้วก็วางแนวทางนี้ไว้ให้ผู้ดาเนินตามหนึ่งเมื่อมาถึงแล้วแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับท่านผู้อิทไปถึงก่อนแล้วความหมายอย่างนั้นต่างดูเดินถึงโคมบางองค์ นั่งสมาธิมันง่วงลงไปเดินยังกลมยังง่วงลงไปขนน้าเดินไปแช่เข่ายังง่วงเดินลงไปขนขายังง่วงเดินไปเอาฟังจุ่มน้งาโคกหัวไว้ในน้เป็นงขเียนไว้คือดน สุดที่เอาก็คือว่าอุบายวิธีฝึกกรมานท่านเองท่านมีหลายวิธีการในการแก้ไขถอดถอนกิเลสอาตราวะภางนจิตใจนี้จะมีเพียงอุบาย Under e mm อันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่พอความหมายว่าอย่างนั้นมาถึงก็มาเราต้องไปนอนแช่น้าเหมือนท่านแต่เราหาอุบายวิธีการไลาหลายอย่างเพื่อให้ท่านกับ คนมายาของที่เด็กที่มันแหลมคมมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แหลมคมเหนือที่เด็กไปได้นอกจากทมอย่างเดียวเท่านั้นทมจะมีอำนาจสามารถที่จะลบล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ได้ กาพิจารณาของข้างนอกมันเทินในการพิจารณาก็เอาที่รูปนอกเสียงนอกสำคัญที่รูปนะคําพิจารณาก็เหมือนกันจะแยกเป็น น, นิจจังตุขาาคขันตะก็เหมือนกันจะแยกเป็นอาตุภะอาุพังเป็นปัจฉาผีดิบที่สดมันจะได้เหมือนกันกันกบเราอันใดที่มันเหมาะสม คืนของตนในเวลาใดอีดียาบทใดขณะใดการใดเอามาใช้พอสำคัญกับถัดจิตไม่สงบหาความสุบไม่ได้นะคระเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็มันก็เป็นปุยเป็นไฟอยู่ในตัวเลยมองเห็นอะไรไม่มีคุณค่าไปทั้งนั้นแหละตลอดเพื่อนฟูงที่อยู่ด้วยกันนีงขนาด อุวาจางอย่างต่ำมันก็เหมือนมีอะไรมีคุณค่าพ่อหัวใจเรามันเป็นปืนเป็นไฟมันก็มันไม่ไม่มีอะไรมีคุณค่าเนี่นเด็กพิสําคัญมันหมายไว้เชียวว่าอะไรก็มีคุณค่าความจริงตัวเป็นไปต่างหากนั่นจิตใจหาความสงบไม่น่าเป็นปืนเป็นไฟนั่งอยู่ก็ร้อนดื่ือย่กร้อนนอนอยู่ก็ร้อนดูอะไรย้อนเหมือนปืนเหมือนไฟที่เลยปลให้ร้อนอยู่วามในใจเมื่อแก้นี้ลงไปให้เกิดความสงบเยอกเย็นมาแล้วเออ อยู่ไหก็อยู่ได้สบายสบายมองข่้นผุงก็รู้สึกว่าเต็มหูเต็มตาเต็มใจแม่ตูบาจางก็เป็นที่เคารพเห็นอะก็เป็นสาระนะทุพอหัวใจเริ่มเป็นสาระขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะมันเคยเป็นด้วยกันนั่นแหละถ้าลงไฟเผาหัวใจแล้วคนเราจะมีเกียรตใจมาอดมาทนมาพิณิพิจารณาอะไรว่าจะเป็นสาระไม่สาระ นอกจากจะมาตีความหมายหรือกว่าเข้ามาหาเป็นกองไฟเหมือนตัวไรหมดแล้วก็เผาไปข้างนอกด้วยความรู้สึกสํานึกจสึกของคิดไปเองมากคนนั้นก็กระทบกระเทือนคนอื่นได้โดยที่ยาที่แสดงมาจากไฟกองนั้นน่ะนี่นะโทษนความไม่สงบของจิตมันเป็นอย่างนี้พ่านจึงพยายามทำให้สงบ สงบด้วยวิธีใดเอาเอาลงไปเราฝึกเราทแทะฟาร์มานเราทแทะวิเดกเป็นภัยต่อเราเราพยายามต่อสู้ควิเด็กเพื่อคุณค่าอันสูงสดุดหรือสูงสดุดทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าเราทอดทิละในการกราบถอนวิเดกเสียสมือนก็ว่าคอดทิละต่อตนให้จมมันเองแล้วเราอยากจมเหนือใครอยากจมจในโลกนี้เกิดมาไม่มีใครอยากจม โมเป็นฉะนั้นก็เอาที่ต้องช่วยตัวเองดิหนักกหนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ช่วยเจ้าของได้เป็นพอนั่นหลักอยู่ตรงนั้นอง์ก็มาฐ า, น, า, น, น, า น, นก็ครับแคบาตทวนทุวันประธานที่จะบำเพ็ญก็ครับแทบเข่าพราคนก็มากผาสุกสัตรู้ก็มาก สิ่งที่เป็นภัยต่อศัสนาก็มีมากขึ้นโดยลำดับการบำเพ็ญของพระเป็นลำบากขึ้นโดยลำดับและนอกของนั้นครูวาจารย์ที่อยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการอปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นความเป็นภายในจิตใจ่งนี้ที่จะนํามาสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นตัวหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาให้ยึดเหนี่ยวได้อย่างเป็นที่พอใจมันก็หายากนั่นยากประเดิมแบบครูวาจารย์ที่เป็นสาระสาคัญสาคัญ ก็ร่วงโรยไปมากแล้วนั่นมีชีวิยอยู่กับมิตรใจแตดทั้งนั้นไม่รับผิดชอบอะไรแล้วเนีัน้นอาวัตรั่งสอนผู้ใดผู้ใดท่านก็ปล่อยไปปล่อไปเนอย่างท่นานขันขาวเป็นต้นนะวของตั ง, งของปกครองจะไม่ไหวแล้วถึงขวา น, นเดินเป็นควายตวรกตัวเล็ก เ, เดินก็เดินไม่ได้ และท่านจะมีแก่ใจตสางขันท่านปล่อยไว้หมดในความรับผิดชอบแม้แต่ขันตั้งกับอุปทานทั้งกับปล่อยไปแล้วแต่ความรับผิดชอบก็ยังมีก็ยูไปท้งนั้นแหละนะเป็ น, นที่นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะพิชิตใครล่ะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราไม่รีบผิดตักตัวงเตั้งแต่แัดนี้ที่ยังพอเป็นไปอยู่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ วันนี้มันมีน้อยมาครูวารจานทร์มี่คนยังยุ่งพรรษพอสมควรที่ยังไม่ททำมันเกิดมาก ท, ท่านทิพย์อนี่มันดีทางทางด้านจิตใจก็ดีทางการปฏิบัติก็ดีแล้วหลักใจมีเนาะหลักปฏิบัติก็คงเส้นคงวากับท่านแบรนด์องค์มันก็ดีธรรมะ ก, ก็เคยพูดกันนะทางด้านภายในะ รู้สึกท่านจะมองที่วัดตอนนี้เป็นส่วมากคอยฟังแต่ทางนี้นี้ดำเนินยังไงยังไงยังจะเห็นได้เช่นนั้นถ้าธรรมทูตเขาให้มาปวนกรรมฐานมายุ่งกรรมฐานให้ไปเป็นธรรมทูตสอนที่ดนตรีมายุ่งมารดามันดาผมไม่เล่นด้วยผมไม่ไปท่แบบนั้นคอยดูผมไม่ไปทัมม้งนั้นไปเวลาเขาประกาศถ่ายรูปที่วัดโพน มาม ห, หน้าที่มานี่ขอถารูปร่วมกันทั้งหมดผมก็ไม่ลงไปแผ่นแดงก็ไม่ลงอคอยนักเกตุทนายการตอนนั้นเอมันจะเดินแบบไหนเดินแต้งไหนเวลาประชุมเราก็อยู่นั่งนู้นสุดเนนน้นแล้วไม่มานั่งข้างหน้าน่ะที่วดีปิดนั่นแหะมาพูดเวลาประชุมพระเราก็นั่งสุดนู้นกับเนิ น, นแผ่แนแดงก็ไปนั่งนูง้นเหมือนกัน พอเขาประกาศปั๊บ น, นั่งผิดไหมละ่ะให้มารับขอรับธนาผู้ปเ ป, เป็นหัวหน้าพระเถระเป็นหัวหน้ามารับผ่ไกามารับยากับเงินด้ว ย, อยพอเขาประกาศขึ้นองค์นี้องค์งนั้นผมก็โดดผึงล ง, <c oughs> ง, น, งนู่นผึ่งหนึ่งน่ยนิดเดียว ชาวญีนข้างหน้ามันเขาประกาศงี้ลงมันขายหน้าเลยเหมือนเขาหักหน้าหักตาเัานี่ประชดเขานี่เราทาไม่ได้เราต้องชิดเตรียมพร้อมไว้นั่งอยู่นู้นหามีอะไรมาเราได้ประโยชวดเดียวนี่พอเขาประกาศมันปุ๊บถงกับดดผึงทางนั้นไม่เห็นบ่มเลยนั่งนู้นผมอจะรตัวมาให้ท่นอาจารย์มาฝุดทำไมยุ่งทำไมหนีเถอเฮอใครมายุ่งไม่ได้ครับผมใครมาโอ้ใคมาเห็นเอ้าเห็นนั่งตำแหน่งสุดท้ายนู่น แมงั้นเราทำอย่างนี้นเราก็ทําได้งั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเรามีเขามีแผนแล้วก็มีแผนมนุษย์ด้วยกันมันเล่นเหนือกันไปไหนวะอืมพวเขาประกาศรับผ้ากายนี่รับยาหนึ่งรับไหว้ปัจจัยนี่เราโดดถึงหนี่เลยไม่ทันเอาอไปนุ่งก่อเวลาเขาประกาศถึงเราชื่อผมอให้ทํานมหาบาลแผนกันหักก่อน ไปบอกนะบอกโมรับแทนถวายท่านหมดเลยนะบอกผมก็เพนนี้เลยตกลงรางก็บอ ก, กไปรับมารับแทนท่านตอนมารับแทนเพราก็มอมาะหมดแล้ท่านก็เอาไปเลยเพราะเราจัดรยบร้อยทุกอย่างแล้วทุกกิ่นทุกอย่างทีข่ขอถวายผมในน้าผมนั่นน่ะผมถวายพระมหาทั้งหมดพระาอวดเนถวายทั้งหมดผมบอก ยาไปใหผมเป็นหนึ่งขัดแม้จะชิ้นเดียวผมไม่ออกหมอกลงไปแล้วลไปบอกคนโน้นไว้ตอนนั้นไงไม่นามชื่อจะมาถึงเราเพราะเราเป็นพระเถระคนหนึ่งถ้าพูดคำสมมุูลแล้วอันนี้ภาษาเรากัมากไม่กี่องค์ก็มาถึงเราพอดีเราไปแล้วแต่เราได้ยินเสียงเขประกาศแล้วเราสั่งพระเรียบร้อย